ธรรมะก ร, รมมัทวาทสกะว่าด้วยปรปพาชนียกรรมที่ไม่ชอบทำสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายปรปภาชนิยกรรมประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือหนึ่งลงลับหลัง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 ภิกษุทั้งหลายปปพาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระนับไม่ดีคือหงไม่ลงตามปฏิญญา 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลาย ปปพาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระงับไม่ดีหมวดที่ 7. ภิกษุทั้งหลายปปพาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม